โมทนาบุญท่านด้วย ใ, ในการเจ้าหน้าที่ผู้ที่จัดงานและก็ผู้ที่ร่วมงานของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลมาการักจังหวัดกาญจนบุรีก็รู้สึกยินดีที่ได้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 ก็ตามสมควรเกี่ย ว, วลานะนั่งตามสบายนะครับผู้ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ที่โชคดีมากเพราะว่าได้เห็นสัจธรรมชีวิตทุกๆวัน ที่ได้มาทำงานรู้สึกว่าได้สัมผัสกับปัจธรรมชีวิตเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีคนแก่คนเจ็บคนตายคนเศร้าโศกเสียใจแล้วก็คนที่ดีใจบอกถึงความไม่เที่ยงของสังขารความเป็นทุกข์ ความที่เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ของสังขารทุกโรคทุกนามอันนี้คือสัจธรรมชีวิตการได้ดูบ่อยๆได้เห็นบ่อยๆได้สัมผัส บ, บ่อยๆมันทำให้เราเนี่ยเกิดการยอมรับในข้อนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> พอจะทำคือเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าว่าเราสามารถที่จะน้อมเอาสิ่งที่เราได้พบได้เห็นเนี่ยมาสู่จิตสู่ใจของเราเนี่ยมันจะเกิดสติเกิดปัญญาแล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ในสังขารทั้งหลายใจเราก็จะไม่มีทุก ถือว่าโชคดีนะที่ได้มาทำงานในโรงพยาบาลเรามักจะมุ่งแสวงหาสิ่งที่ดีๆที่ด้าน่นาดูหน้าชมแต่เราไม่เคยที่จะคอยสังเกตสิ่งที่ ไ, ม, ไ, ม, ไ ม, ม่ไม่มีไม่มีใครอยากดูไม่มีใครอยากชมนะมักจะปฏิเสธแต่เราลืมไปว่า ในความทุกข์ทั้งหลายน่ะมันมีความสุขซ่อนอยู่ข้างในก็ <c oughs> จะบอกว่าผู้เห็นทุกข์คือผู้เห็นธรรมใครเห็นความทุกข์ตัวเป็นผู้ที่โชคดีในทางธรรมความทุกข์เป็นดอกไม้ของพระเรยเจ้าความสุขเป็นดอกไม้ของพยามาร <c oughs> สิ่งที่ดีมีคุณค่านั้นมักจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไร้ค่าถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะค้นพบได้ค้นพบความจริงของชีวิตรวมทั้งความสุขด้วยจากความทุกข์นั่นแหละความสุขจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ มาจากความทุกข์ทั้งนั้นแหละเนมันเป็นสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในแต่ละวันของการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะได้เจอในสิ่งที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างในสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นไม่มีใครหรอก ตลอดทั้งวันเจอที่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้น <c oughs> แล้วไม่มีใครที่จะเจอสิ่งที่ไม่ดีทั้งวันเลย <c oughs> มีอยู่ว่าเราจะทำใจกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร <c oughs> จากสิ่งที่มีดีให้กลายเป็นสิ่งที่ดีได้เน <c oughs> ตัวเนี้ยมันต้องอาศัยการทำใจหรือการวางจิตวางใจที่ถูกต้อง <c oughs> ากว่าเราอยากจะมีความสุขในชีวิตเนี่ยบอกเคล็ดลับง่ายๆว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามในแต่ละวั น, นในสถานการณ์ต่างๆแ ม, ม้ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามถ้าเราลองรู้จักมองรู้จักค้นหาค้นหาข้อดีในสิ่งนั้น ค้นหาคุณค่าในสิ่งนั้นให้พบนะเป็นการมองในแง่ของการที่จะพัฒนาจิตคือมองสิ่งที่มีคุณค่าและสิ่งที่ดีมีประโยชน์สำหรับตัวเราถ้าเรามองอย่างนี้ได้เนี่ยจิตใจเราจะมีความสุขและจะมีความเบิกบานอยู่ในตัว จะเรียว่ามองในแง่บวกก็ได้ในแง่บวกไม่ใช่ว่าแง่งความสุขหรือดีใจเสมอไปหรอกในแง่บวกคือนง่ขอาการมีสาระมีสาระมีประโยชนไ์ไปเพื่อการพัฒนาจิตเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาชีวิตมองแล้วเกิดกาลังใจเก <c oughs> ิดความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวาเกิดความกล้าหาญ <c oughs> เนี่ยรยกว่าเป็นการทำใจทำใจเพื่อให้เราไม่มีทุกข์ทำใจให้มีความสุขขึ้นอยู่กับมุมมองและวิธีคิดแล้วก็วิธีการปฏิบัติ ด, ด้ว ย, เ, ยเราก็จะมีความสุข อย่างเช่นวันนี้เป็นวันที่ประชุมทางวิชาการผู้ที่เข้ามาประชุมเนี่ยโดยผู้ที่เข้ามาฟังเนี่ยก็เป็นผู้ที่ต้องทำงานทั้งนั้นแหละต้องมีงานทำต้องมีการทำงานเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจถ้าใครไม่มีงานทำ มีความว่างว่างว่างงานชีวิตว่างเปล่าจิตใจก็จะคิดฟุ้งซ่าน <c oughs> เพราะจิตไม่มีเครื่องอยู่ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่นี่จิตมันจะคิดนะ <c oughs> แล้วเวลาจิตมันคิดคิดเรื่องอะไรเรื่องในนั้นทเราเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละคิดแล้วนอนไม่หลับทั้งนั้นจึงต้องมีงานเป็นเครื่องอยู่อย่างผู้ที่ ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมการักเนี่ยถือว่าโชคดีที่เรามีเครื่องอยู่คืองานแต่เราจะอยู่กับเครื่องอยู่คืองานนี้ให้มีความสุขจะอยู่อย่างไรอเ น, นี้ยเป็นเทคนิคในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเลยก็ได้อันนี้เป็นการยกตัวยอย่าง ที่โรงพยาบาลนี้ก่อนถ้าจะอยู่ให้มีความสุขกับการทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องค้นหาข้อดีหาคุณค่าของงานที่เราทำให้ได้ค้นให้พบที่จริงถ้าจะไม่ต้องค้นเลยนะงานโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีๆมีคุณค่าทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าเราสามารถค้นหามันก็ยิ่งดีใหญ่ไต้ค้นพบสิ่งที่มีคุณค่าที่ละเอียด <c oughs> อย่างอะไรนะอย่างเช่นงานในโรงพยาบาลเป็นงานบริการส่วนใหญ่เป็นงานบริการ <c oughs> คนที่จะบริการเข้าได้เนี่ย ต้องเป็นบุคคลที่เสียสละเราไม่ได้พูดถึงผลเราพูดถึงเหตุก่อนเราต้องเสียสละการใช้ความเสียสละเนี่ยมันก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งทางด้านจิตใจเสียสละต้องอาศาัยจิตใจที่เมตตาการุณา ถ้าเราไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาเนี่ยจะบริบาบริการใครไม่ได้เลยต้องมีการเสียสละมีความเมตตากราุณาเป็นพื้นฐานของจิตวางใจตัวนี้ถูกก่อนเราเมตตาใครก็ตามเราไม่ได้พูดถึงผลหรือคนที่เราไปช่วยเหลือเขาพูดถึงจิตที่ไปทํางานตรงนั้น เป็นจิต ท, ที่เบาแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมันเป็นผลอยู่แล้วในจิตใจที่เมตตาอันนี้เป็นพื้นฐานของธรรมะล้วนๆเลยจิต ท, ที่เมตตามันตรงกันข้ามกับจิต ท, ที่พยาบาทเห็นไหมเวลาเรามีความพยาบาทโกรธแค้นเคืองใคร ใจเราจะเป็นไงเย็ยนหรือร้อนโอ้ร้อนรุ่มรุ่มโูรานั่นมันเป็นนรกในปัจจุบันนั้นนรกในใจเราเนั่นแหละตกเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าโกรธแค้นมากๆมันก็ตกขุมลึกหน่อย <c oughs> ถ้าโกรธ น, น้อยๆก็ตกขุมตื้นๆแต่ก็ตกะนะ <c oughs> เห็นไหมจิตที่มีความอาฆาตพยาิบาทเครียดแค้น แต่ิที่เมตตาเนี่ยมันเย็นมันเป็นลักษณะของความเย็นถ้าเย็นเนี่ยมันตรงข้ามกับความร้อนมันจะเย็นอกเย็นใจสดชื่นเบิกบานนอหลับสบายถ้าจิตเราเมตตาเมตตาเป็นแค่ความรู้สึกของจิตจิตก็สบายแล้ว แต่ถ้ามีความกรุณากรุณาเนี่เสริมต่อจากเมตตาจิตที่เมตตานั้นส่งให้มือสองข้างเนี่ยเป็นความการุณาไปช่วยเหลือเขาการยื่นมือไปช่วยเหลือเขานั่นแหละคือความกรุณาแต่ <c oughs> ว่าปราณีมีน้ำใจเนี่ยมันก็ได้แต่ถ้าเมตตาแล้วแค่เมตตาเฉยๆเนี่ย ใครๆก็นั่งคิดได้สุขอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีความโกรณาคือยื่นมือไปช่วยเขาเห็นไหมเนี่ยโอเราทำได้สองอย่างเลยออกมาทางใจแล้วก็ส่งผลไปทางกายแล้วมีผลต่งางใจเราแนละ้วและมีการเคลื่อนไหวไปช่วยใครก็ตามบุคคลคนนั้นเขาก็จะมีความสุขนะมีคนเมตตาเราเมตตาเขาอาจจะไม่เห็น แต่ถ้าเรากระโลาด้วยจิตที่เมตตาด้วยเนี่ยได้ช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาจะสัมผัสได้ใช่ไหมแค่เราใช้สองอย่างเนี่ยมันก็เป็นผลที่มีความจุขอยู่แล้วในตัวเราซึ่งทุกท่านเนี่ยก็ทําแบบนี้ทั้งนั้นแหละแต่ไม่ได้คิดถึงในส่วนนี้เรามองว่าผลความเมตตาศสียสละเราเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง กลัวเราจะทําไม่ดีกลัวเขาจะได้ผลไม่ดีเนอะเราไปส่งผลดูที่ตรงนั้นแหะแต่ลืมว่าผลมันเกิดขึ้นแล้วที่จิตใจเราเราทําได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้น <c oughs> ผู้ที่ได้รับการบริการ <c oughs> เขาก็มีความสุขแล้วแม้ว่าสิ่งนั้นยังไม่สําเร็จเพียงแค่สนใจพูดคุยเอาใจใส่ คนไข้หรือผู้ที่มาติดต่อจะดีขึ้นหรือไม่นั้นเขาก็มีความสุขที่มีคนอนาถรร้อนใจกับเขาด้วยเป็นทุลายเขาเ น, นะเนี่ยมันเป็นงานที่เราสร้างบุญกุศลได้ทั้งนั้นเลยนะคนที่เป็นเจน้าหน้าที่ที่นี่ต้องเกี่ยวข้องหรือเป็น อ, อสอมอหรือเป็นร อ, อสอพอขอสอมกอ็ตออามใจ นนหละถ้าเรารู้จักมองคุณค่าหรือข้อดีในงานที่เราทำเนี่ยเราจะเริ่มมีความสุขนะมันเป็นผลอยู่แล้วในขณะที่คิดแล้วก็ทำส่วนผลที่สาเร็จหรือไม่นั้นมันเป็นผลพลอยได้บางทีก็สาเร็จบางทีก็ไม่สาเร็จก็ไม่เป็นไรหรอกมันมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่มีคุณค่าสาหรับเรา เ, เพราะนั้นการกระทำทำแล้วก็ตามทำให้มีความสุขเนี่ยเราต้องมุ่งที่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันมีข้อดีมีคุณค่าแค่ไหนมุ่งตรงนี้ก่อนคุณค่าของการกระทำก่อนเริ่มที่เหตุก่อนเรื่องของผลเนี่ยไม่ต้องคำนึงถึงถ้าเหตุถูกต้องไม่ต้องหวังในผล ผลมันก็ถูกตามเหตุถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ต้องมากเพียงพอด้วย <c oughs> มันจึงจะสมควรแก่เหตุนะผลนะไม่ใช่เมตตาครั้งเดียวแวดเดียวขนาดจิตเดียวมันจะสบายทั้งวันก็ไม่ใช่ <c oughs> ต้องทำอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเป็นความเคยคิดเป็นความชานาญ มองที่เหตุมองที่คุณค่าที่เราทำอยู่ตรงนี้ล่ะพุ่งใจไปที่เหตุเลยตรงนี้ล่ะเราจะทำได้ก่อนอย่าไปกนึ่งทึงผลหรืออุปสรรคต่างๆอันนั้นมันมาทีหลังเนี่ยเนี่ยแค่การทำงานเนี่ยใจเราก็เริ่มสบายถ้าใจสบายทำอะไรก็มักจะสำเร็จ มีญาติธรรมนะผู้เรียญาติธรรมนันคนที่มาพูดคุยปรึกษาเรื่องต่างๆเนี่ยนะเขเรียกญาติธรร ม, รมเป็นญาติในทางธรรม <c oughs> เขาก็จะมาเคยมาถามนะเขาถามว่าเขาเนี่ยอยากจะทำความดีอยากจะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ย แต่เขาไม่กล้าเทียบทำเพราะว่ากลัวสายตาคนอื่นใจช้าเราจะมองว่าเราเป็นคนแปลกแปลกเป็นคนไม่ปกติ <c oughs> ซึ่งคนอื่นเขาไม่ค่อยทำกันแต่เขาอยากจะทำคือช่วยเหลือส่วนรวมคือเขาจบจบการศึกษามาจากต่างประเทศมีความรู้ ่เช่นสาขารู้เรื่องภาษาอังกฤษอยากจะสอนสอนเด็กให้รู้ภาษาอังกฤษนอกเวลาโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย <c oughs> อยากจะทำในส่วนนี้๋ยวนี้เวลาสอนพิเศษก็ต้องเสียเงินแต่เขาจะทำแบบไม่เสียเงินเขารล่าระการอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ของราชการของรัฐบาลด้วยเขาอยากจะทำในส่วนนี้ เ, นเขาไปปรึกษาเพื่อนที่ทำงานด้วยกันอีกคนหนึ่งบอกเรามาทำอย่างนี้กันไหมเนี่ยเราอยากจะช่วยคนอื่นให้มีความรู้พอเขาเองเนี่ยเรียนมาแล้วก็อยากจะใช้ความรู้ที่ศึกษาไปเรียนมาจากต่างประเทศ ใช้ความรู้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์โดยการสอนสอนฟรีสอนภาษาอังกฤษกับนักศึกษาแต่อาจารยอ์อีกคนว่าว่าไงรู้ไหมถ้าคุณทำแบบนี้ถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือของมหาวิทยาลัยเขาจะไม่ทำด้วย เขาไม่ทำเพราะว่ามหาวิทยาลัยเอาเปรียบคุณใช้งานคุณ <c oughs> แต่ไม่มีค่าจ้างนอกเวลาจเจ้าเปรียบผู้ที่ทางานด้วยกันเนี่ยมากเกินไปเขาแอนตี้ต่อต้านระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยถ้าว่าคุณจะทำเนี่ยเขายินดีที่จะช่วยคุณ แต่ไม่ได้ช่วยมหาวิลลยอันนี้ก็แสดงว่าเขามองผลใช่ไหมมองผลมองผลว่าเนี่ยเพราะคนเนี่ยมองทางมหาวิเลยเนี่ยเอาเปรียบเี่ยอาเปรียบลูกน้องเลยไม่ช่วยแต่ช่วยเพราะช่วยคุณเนี่ยอยากจะทำงานในส่วนนี้แล้วก็แล้วก็ถามว่าคนที่ ปฏิเสธนะผมว่าแล้วคุณจะบ้าทำอย่างงั้นทำไมล่ะคุณบ้าไปคนเดียวเนี่ยมันนมยุย่งหรอกเนะ้ะไม่มีใครก็เอาด้วยคำพูด <c oughs> แกเนี่ยเขาเลยไม่กล้าทำความดีเลยไม่กล้าทำประโยชน์เลย <c oughs> เพียงแค่ได้ยินเพื่อนที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะ <c oughs> เขาก็ยไปไม่ถูก <c oughs> ว่าเอ๊ททำมันถูกหรือเปล่าและไม่ทำมันถูกหรือเปล่า เลยขาดจิตขาดใจก็มาถามโอไม่เป็นไรหรอกเขามาถามบอกไม่เป็นไรหรอกอย่าไปนสนใจคําพูดครับเขาเป็นใครมาจากไหนเราจะเป็นต้องเชื่อเขาหรือไม่ถ้าเราจะทําความดีทําประโยชน์เนี่ยทําไปเลยเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมเราได้ใช้วิชาความรู้ของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และส่วนรวมได้รับประโยชน์เราเองก็ไม่เสียประโยชน์เราก็ได้รับประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ทําไปเลยอย่าไปฟังคําพูดของคนอื่นอย่าไปแคร์กับสายตาคนอื่นทําไมต้องอาชีวิตเราเนี่ยไปฝ่าไว้กับคําพูดคนอื่นหรือสายตาคนอื่นได้เราเราต้องกล้าทําความดีทําประโยชน์ทําสิ่งที่มีคุณค่าต้องกล้าทํา อย่ารอให้คนอื่นก็ททำซะก่อนแล้วเราค่อยทำตามทีหลังถ้าทำได้ทำก่อนเลยทำไมเราจรึงจะเป็นคนดีคนแรกของสังคมนั้นไม่ได้จะรอเป็นคนดีคนสุดท้ายของสังคมนั้นหรือมันต้องกล้าหาญเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่บีบเบียดตัวเองทำไปเลย เนี่ยทำให้เกิดความกล้าหาญที่จะทำความดีนะบางคนไม่กล้าทาความดีนะกลัวกลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะอิจฉาเขาอิจฉาเรานี่ดีนะแต่ว่าเราดีกว่าเขาถ้าเขาสงสารเราจีไม่ค่อยดีอ่ะเขาสงสารเราแต่ว่าเรานี่แย่กว่าเขาดังนั้นใครโดยอิจฉานี่ไม่ต้องกังวลนะ ดีแล้วแต่ว่าเราดีเขาเขาจึงอิจฉาเรานะว่าทำไปเลยเขาเกิดความกล้าหาญที่ทํทำในส่วนนี้เพราะวิธีคิดมองถึงคุณค่าที่เขาต้องทำและเป็นข้อดีด้วยไปเชื่ออะไรกับคนบางคนซึ่งจิตใจนี่อาจจะไม่เหมือนกับเราเราเป็นผู้ให้ แต่เราไม่ได้คาดหวังในผลมากเกินไปขอให้ได้ทำในที่ที่เราอยากทาก็แล้วกันก็ใช้ได้แต่เขาเนี่ยทำแล้วต้องเอาผลด้ว ย, ยอย่างเนี้ยทำงานเงี้ยไม่ค่อยมีความสุขวางใจไม่ถูกผมเองก็เคยนะเนี่ยเคยไม่ช้าเนี่ยไม่นานเนี่ยมีคนมาปรึกษา มีคนกลุ่มหนึ่งมาปรึกษาว่าเขาอยากจะทำประโยชน์ในโรงพยาบาลเขาจะช่วยให้กำลังใจคนไข้ในโรงพยาบาลโอ้โหเราขนลุกเลยโอ้โหคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยจะช่วยให้กำลังใจคนไข้ในโรงพยาบาลคนไข้ต้องการอะไรไม่สุดต้องการกำลังใจ ก็เลยบอกว่าเอางี้สิช่วยญาติคนไขอ้อี ก, อ ก, อกประเภทได้ไหม <c oughs> คนไข้ก็ดีแล้วแต่ญาติคนไข้ก็น่าช่วยเหมือนกันนะบางทีญาติคนไข้เนี่ยเป็นทุกข์มากกว่าคนไข้เด็ดตาไป <c oughs> ต้องช่วยเสมอกันทั้งคนไข้แล้วก็ญาติคนไข้สนับสนุนดีแล้วยิ่งคนไข้ที่อาณาถาไม่มีญาติมาเยี่ยมเนี่ยให้กำลังใจมาก อบอกวิธีการกนะครับบอกว่าเนี่ยดีแล้วคุณเป็นคนที่มีจิตเมตตามีความกรุณาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เราทำเนี่ยคุณจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขแต่เราทำแล้วก็อย่าคาดหวังเลยนะเนี่ยมุ่งไปที่เหตุการสร้างเหตุอย่าเพิ่งคาดหวังในผลว่าเราจะได้อะไรจากคนไข้หรือคนไข้ไจากเรา อย่าม it ge. <laughs> <c oughs> ุ่งตรงนั้นมุ่งว่าเราได้ทำในที่เราเห็น <sunscreen> ว <t> ่า <tr> มัน <tuna> ม <admitted> ีคุณค่าเอาตรงนี้ก่อนแล้วมันจะเกิดตาไม่เองทำหนึ่งได้สองก็บอกว่าผมอธิบายบ่าดีนะเป็นประโยชน์มากวิธีการให้กำลังใจคนไล้กับญาติคนไล้ทําบงนี้นี้นะบอกคุยเป็นชั่วโมงเลยพูดถึงว่าอย่าไปคาดหวังในผลนะ มันจะได้อะไรก็บอกแหมงานที่ก็จะทําเนี่ยมันมีธุร ก, กิจด้วยโอ้เราเริ่มเหนื่อยแล้วพูดต้องจำบ่นจักเหนื่อยแล้วเรามีธุรกิจก็ไม่เป็นไรธุรกิจก็ได้ให้มันพออยู่ได้มันจะได้มีเครื่องดําเนินชีวิตมีปัใจจัยในการทําประโยชน์นี้ต่อด้วยเราก็ไม่พูดถึงธุรกิจว่าบอกนี่แล้วไม่แล้วเอาสักธุร ก, กิจอย่าไปเน้นเน้นเรื่องคุณค่าที่เราทําก่อนเอาใจเราก่อน ใจเราจะมีความสุขถ้าเราทำงานแบบไม่คาดหวังอะไรเนี่ยมันเป็นบุญนะแล้วเราจะมีความสุขจะมีชีวิตที่ดีถ้าเรามุ่งหวังธุรกิจเนี่ยบางทีชีวิตอาจจะไม่ดีก็ได้นะอาจจะฐานะดี <c oughs> แต่ชีวิตไม่ดีเนี่ยมันต่างกันนะฐานะดีกับชีวิตดีเนี่ยต่างกันไหมชีวิตดีมันเริ่มจากชีวิตจิตใจ ไดยินไหมชีวิตจิตใจฐานนาดีเนี่ยมันเป็นวัตถุภายนอกนได้ลากได้ยศได้ตำแหน่งสี่ขั้นโบนัสสวัสดิการนะมีคนสรรเสริญมีสถานภาพทางสังคมสูงตำแหน่งดีนั่คือฐานนาดีแต่บางทีชีวิตไม่ค่อยดีนะฐานนาดี แต่ถ้ามีชีวิตดีเนี่ยจิตใจที่มีความสุขมีความเบิกบานมีความสดชื่นมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตจะมีความสุขมากจะมีความทุกข์น้อยนอันนี้คือชีวิตที่ดีชีวิตจิตใจอาจจะฐานะไม่ดีก็ได้ฐานะดีก็ได้ก็คือชีวิตดีด้วยฐานะดีด้วย แต่ฐานะไม่ดีชีวิตก็ยังดีได้คือไม่เอาวัตถุ ก, กําหนดชีวิตอ่ะแต่คนที่มีฐานะดีบางทีชีวิตอาจจะไม่ดีอาจจะทตะุติลิศก็ได้แต่ถ้าฐานะดีด้วยชีวิตดีด้วยก็ดีทั้งสองอย่างก็โชคดีแล้วแต่ถ้าการทํางานแบบงานบุญอย่างนี้ละ่ะฐานะ อาจจะไม่ดีแต่ชีวิตก็ดีมีความสุขอย่างโศว่าที่บวชมาเนี่ยพระที่บวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องฐานะดีหรือชีวิตดี <c oughs> ที่บวชมาเนี่ยไม่จะเป็นต้องฐานะดีก็ได้ ไม่ต้องมียศไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีกุติหรูรถราคาแพงไม่จำเป็นอันนั้นแก้ฐานะดีไม่จะเป็นพระที่บวชมาในพุธศาสนาเป็นหลักการว่าให้มีชีวิตดีมีชีวิตที่สะอาดสว่างสงบเรื่องฐานะไม่เกี่ยวไม่ดีก็ได้แต่ถ้าจิตใจที่สะอาดสว่างสงบเผยแต่ธรรมะ พระแผ่สัจธรรมเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ตรงกับอุดมการที่พูะเจ้าให้บวชมาถ้าไม่ได้ให้บวชมาเพื่อให้ฐานะดีแต่บวชเพื่อให้ชีวิตดี <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นผมเชื่อเลยว่าทำงานราชการเนี่ยฐานะไม่ค่อยดีหรอก นอกจากผริตแต่ชีวิตนี่ดีได้นะฐานะดีเนี่ยอาจเกิดจากที่ว่าเรามีบุญเก่ามีมรดกเก่าที่เราไม่ต้องหามีคนหาให้เราใช้แต่เรามาทำงานตรงนี้เพื่อให้มีชีวิตที่ดีได้ทำประโยชน์กับส่วนรวมนะเนี่ยมันต่างกันเลยนเนี่ยเข้ามาปรึกษาผมก็บอยอย่างเงี้ยบอก บอกเราลองเห็นคุณค่าสิ่งที่เราทํางานที่มีคุณค่าที่เราทําเนี่ยถ้าทําด้วยจิตที่บริสุทธิ์ทำด้วยใจเนี่ยเราจะมีความสุขกับการทํางานถ้าเราหวังเรื่องธุรกิจจุเกินไปเนี่ยเราทํางานแบบดิ้นลน้นแล้วก็ร้อนอกร้อนใจมันก็จะไม่ค่อยมีความสุขนะได้บุญก็ได้บุญหน่อยเดียว <c oughs> ให้คําปรึกษาไป ก็หาเงียบไปคงจะไม่ค่อยอยากจะมาละเพราะเราไม่นเรื่องธุรกิจดีเรามม่งเรื่องให้มีชีวิตดีด้วยการทำประโยชน์ทำส่วนที่มีประโยชน์ให้ชีวิตเขาดีมีความสุขเพื่อเราให้เราพุ่งมองไปที่สิ่งที่เราทำนะคือคุณค่าของงานที่เราทำเนี่ยเราจะมีความจุกตรงนี้เราจะเห็น คุณค่าของตนเองได้นั้นตอนเมื่อเราเห็นคุณค่าของงานที่เราทำมันจะไปด้วยกันอันนี้จริงแล้วเนี่ยงานที่ทุกคนที่ทำที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาล มันเป็นการงานเดียวกันกับที่ผมทำนะเป็นงานเดียวกันนะคืองานแผนกแผนกเดียวกันแผนกแก้ปัญหาแผนกแก้ปัญหาตัวนี้ผมก็ทำงานเป็นแผนกแก้ปัญหาเหมือนกันนะปัญหาคนอื่นนะในแต่ละวันเนี่ยผมได้รับเรื่องราวสารพัดอยา่าง รับเรื่องราวสารพัดอย่างแต่ผมไม่เคยเก็บเอาไว้เลยรับแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปให้แง่คิดให้กำลังใจวิธีการปฏิบัติทำจิตทำใจไม่ให้ทุกข์กับทุกสถานการณ์ของปัญหาใจไม่ต้องทุกข์แก้ปัญหาไม่ได้ใจก็ไม่ต้องทุกข์ แก้ปัญหาได้ก็ไม่ต้องทุกข์รับฟังเรื่องราวต่างๆแต่ละวันนี้มากมายแต่แม่เคยเก็บเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปเปลี่ยนสมบนติถังขยะรับเรื่องราวรอบสิ่งต่งตางๆแต่เป็นทังขยะที่ก้นรั่วแล้วปล่อยให้ผ่านไป <c oughs> การทำหน้าที่เป็นเรื่องของเราแต่ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องเป็นทุกข์ หรือแบกภาระนั้นเอาไว้แล้วก็นอนหลับสบายมันเกิดความกล้าหาญเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสิ่งที่มีคุณค่าแผนกแก้ปัญหา <c oughs> ทำให้เรามีคุณค่าเห็นคุณค่านะคนทำางานเงี่ยจเจนคุณค่าของตัวเองจะมีกำลังใจจะมองข้ามอุปสรรคไม่ติดอยู่แค่อุปสรรคหรือปัญหา มองค่าบอุปผสรคมีความกระตุลล้นที่จะทําการทําเพื่อผู้อื่นเนี่ยบางทีมันกระตุลล้นการทําเพื่อตัวเองบางทีมันรู้สึกมันจืดชืดมันไม่ค่อยสนุกมันทําเพื่อผู้อื่นสนุกกับงานที่เราทําเนี่ยแค่สนุกกับงานที่เราทําเนี่ยเราจะพบว่าเรามีความสุขมากขึ้น ในการทำหน้าที่สนุกกับการประกอบอาชีพทามาหากินสนุกกับการทำทุกอย่างในการใช้ชีวิตแค่เพียงสนุกกับการทำถึงนั้นเนี่ยจะพบความสุขที่เกิดต่อจากความสนุกนะบางทีเกิดความสุขแต่ไม่สนุกแต่ถ้าสนุกแล้วเนี่ยความสุขก็จะตามมาเหมือนกันนะลองทาดูสิทำด้วยความสนุก เพราะนั้นแต่ละวันที่เราทำหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะมันย่อมเจอปัญหามีไหมงานอะไรที่ไม่มีปัญหาบ้างมันต้องมีปัญหาแค่เพียงเราตั้งใจทำงานงานอะไรก็ได้ที่เราตั้งใจจะทำมันต้องเริ่มมีปัญหาเดี๋ยวว่าเป็นความคิดไปละ พอเกิดปัญหาหรือเกิดอุปสรรคเนี่ยขอให้เราตั้งใจว่าวันนี้แหละเราจะฝึกแก้ปัญหาเคิดคิดแบบนี้ไหมพอเจอปัญหาแล้วก็ท้อแท้ใจทุกข์ใจแล้วเจออุปสรรคแล้วก็ท้อแท้แล้วไม่อยากจะทําต่อมองอุปสรรคเป็นมารของเราลองฝึกเตี้ยกล้าหาญเนี่ยทําใจว่าถ้าเจอปัญหาเราจะฝึกแก้ปัญหาให้ได้ อย่างนี้สิมีความกล้ า, าหาญมันเกิดความท้าทายที่จะทำเวลาเจออุปสรรคเอาละเราจะฝ่าฟันดูสิจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะฝ่าฟันอุปสรรคเคยคิดอย่างนี้ไหมเ้ ย, ยเราไม่คิดอย่างนี้เพราะเราไม่ได้วางใจว่าปัญหาไม่ใช่ความทุกข์นะเขาะ้าใจงี้ไหมคนบอกปัญหาคือความทุก ปัญหาไม่ใช่ความทุกข์ปัญหาคือปัญหาความทุกข์คือความทุกข์ปัญหาคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขเท่านั้นเอง <c oughs> ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราวางใจไว้ผิดว่าปัญหาคือความทุกข์ปัญหาคือที่เราต้องแก้ไขทุกข์หรือไม่นั้นอยู่ที่จิตใจเราเป็นทางเลือกของเราต่างหากใช่ไหม <c oughs> เนี่ยลองแยกให้ถูกต้อง วางใจถูกต้องว่าอ๋อปัญหาสิ่งเดียวจะต้องแก้ไขไม่ใช่ความทุกข์เสมอไปบางคนเจอปัญหาไม่ต้องทุกข์ก็ได้ใช่ไหมแต่เราพอไปปัญหาปั๊บเริ่มเครียด <c oughs> ปัญหาข้างนอกแก่ดความเครียดข้างในมันไม่ใช่ข้างในไม่เกี่ยวเจอปัญหาเราไม่เครียกก็ได้นะเราจะแก้ปัญหาใจมันก็สบาย ปัญหาคือสิ่งนี้เราต้องแก้ไขความทุกข์เป็นเพียงทางเลือกเราไม่ต้องทุกข์ก็ได้แก้ปัญหาด้วยใจไม่ทุกข์เนี่ยมันแก้ได้ขาดนะเด็ดขาดมากยอมรับว่าปัญหาคือต้องแก้ไขแต่เราก็จะไม่ต่อต้านกับปัญหาเราก็จะมุ่งมาที่แก้ไขตัว น, นั้นถ้าแก้ไขปัญหาได้ใหม่แล้วก็เราจะมีความสุขมีได้ความรู้ประสบการณ์มากมาย แล้วเราเจออุปสรรคอุปสรรคมันคือความทุกข์ไหมอุปสรรคต้องแยกไงถูกอุปสรรคคือสิ่งที่ขวางกั้นไปสู่ความสำเร็จเท่านั้นเองไม่ต้องทุกข์ก็ได้อุปสรรคคือสิ่งที่ขวางกั้นความสำเร็จเราก็บอกว่าเราก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ข้ามอุปสรรคไปได้ ข้ามให้ได้โดยที่ใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้อุปสรรคคือสิ่งที่ขวางกัน้นความสําเร็จเรามีที่ข้ามไม่พ้นอุปสรรคนั้นหรือฝ่าฟันไปด้วยใจที่ไม่ต้องทุกข์ก็ได้ต้องแยกกันโหลงกองนะเราจะได้กล้าที่จะแก้ไขอุปสรรคฝ่ฟาฟันมันไปก็ เ, เรียกว่ามารมารคือ เครื่องกัน้นเครื่องกั้นความดีแต่ถ้าเราไม่สะดุดที่มารเราจะทําความดีแล้วก็ทําไปเรื่อยแม้จะมีอุปสรรคเราจะรู้ว่ามารทําอะไรเราไม่ได้เลย <c oughs> นั้นวางใจให้ถูกเราจะสนุกกับการทํางานแบบเจอปัญหาแล้วได้แก้ไขด้วยใจไม่ทุกเจออุปสรรค ได้แก้ได้กว่าได้ก้าวข้ามนะก้าวข้าวอุปรสรรคฝ่าอุปสรรคด้วยใจไม่ทุกข์สิ่งนี้นะ่ยมันจะเป็นประสบการณ์นะงานต่างๆที่เราทําทุกวันเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตเราจะมีความรู้มีความชํานาญในการดําเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าอุปรสรรควันนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานปัญหาวันนี้เป็นพื้นฐานให้เราได้เปเิญและเกิดประสบ ก, การณ์ เพื่อจะใช้ในวันข้างหน้าเรายังมีชีวิตอีกยืนยาวเนี่ยบางคนก็อายุน้อยเนี่ยชีวิตก็ยืนยาวเวลาชีวิตยังยาวนานบางคนอายุมากเวลาชีวิตที่เหลือก็เหลือน้อยในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเราจะอยู่อย่างมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็เลือกเอา ถ้าอยู่ยังมีความจุกก็ต้องเลือกที่จะเผชิญกับอุปสรรคและก็จะแก้ไขปัญหาเกิดประสบการณนะ์ของตัวเราเองแล้วก็ได้สอนลูกหลานเป็นประสบการณ์ชีวิตสนะิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเราแต่ละวันในวันต่อไปแต่ที่สำคัญก็นนคือจิตใจเราแหละจิตใจเรานะสำทึกใจอย่างเดียวไอ้ข้านอกไม่เท่าไหร่หลใจเราต้งหกักนะ เราวางใจไว้ถูกต้องรือไหมทำไมเวลาเจอปัญหาใจเราต้องเป็นทุกข์เวลาเจออุปสรรคทำไมเราต้องท้อแท้เพราะอะไรเพราะใจเรายังไม่เข้มแข็งยังไม่มีกำลังใจเรายังอ่อนแออ่อนแอกับอารมณ์ยังเป็นโรคภูมิแพ้อารมณ์เคยเป็นไหมโรคภูมิแพ้อารมณ์อะโรคทางจิต คือแพ้อารมณ์โรคทางกายเป็นโรคภูมิแพ้รักษายากควบคุมได้แต่โรคทางจิตเนี่ยถ้าเราแพ้อารมณ์เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาจิตให้หายจากโรคภูมิแพ้อารมณ์ได้โดยการฝึกจิตใจใเข้มแข็งเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้เราแพ้อารมณเ์เวลามีอารมณ์รักอารมณ์อยากได้ขึ้นมานี่ก็ อใจอ่อนอะไปสแสวงหาอปล่อยชีวิตให้หมดเนื้อหมดตัวไปกับความรักเนี่ยแล้วเวลามีความทุกข์ความรักไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาชีวิตเราเลยเ <c oughs> กิดความอยากได้สักอย่างหนึ่งอารมณ์อยากได้มันมาใจก็เกิดภูมิแพ้อารมณ์อยากได้ก็สแสวงหาถามหาถามหา เพื่อจะให้ได้ตามความอยากนะเพ ร, ะเราะลอกแพ้อารมณ์ความอยากใจเราอนะ่อนแล้วพอได้ม า, ม า, ม, ามากๆแล้วมีหนี้มีสินไอ้ความอยากไม่เคยช่วยใช้หนี้เราเลยใจเราก็ต้องเป็นทุกเพราะต้องใช้หนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเนะพราะจิตเราแพ้อารมณ์ของความอยากอ่อนแอเวลาเจอความโกรธความไม่พอใจ อารมณ์นั่นมันผ่านมาในใจนะแค่ผ่านมานะโอ้ใจเราก็ถูกอารมณ์นันดูดวูบเข้าไปเลยหมดเนื้อหมดตัวไปความโกรธความเก <c oughs> มเียดแกน้นะใจเราอ่อนแอแล้วเวลาเราโกรธเนี่ยใจมันสบายไหมว่าอารมณ์มันก็หัวรอเยอะเราเนี่ยเวลาจิตมันโกรธมันก็จะทุรนทุรายใช่ไหมเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายนั่นะคือความทุกข์และ พราใจเราอ่อนแอไม่มีพลังไม่มีภูมิต้านทานทางจิตใจมันก็ไปทุกข์อะแล้วเวลาเป็นทุกข์เนี่ยไอ้ความโกรธไม่เคยรับผิดชอบเราเลยนะว่าลอยย่อเราไปซะมาโอ้เนี่เป็นทุกข์รับมุกของความโกรธเขาแ ล, แล้วเวลาเกิดความอยากความโลภก็นะอยากก็ได้ใจเป็นไงใจมันก็เหน็ดเหนื่อยนะความอยากได้เหน็ดเหนื่อยไหม และความอยากให้สบายไหมโออยากให้เนี่สบายเลยไออยากได้ก็อยากให้เนี่ใจต่างกันนะอารมณ์อยากได้เนี่ยโหทุรนทุรายมากทำไงให้ได้มาแต่อารมณ์อยากให้เนี่ยแหมมันอยากจะให้เหลือเกินไงอีตอนจะให้เนี่ยมันก็ลืมเสียดายนะเพราะจะให้ควาจริงเนี่ยเอ้เราก็ยังพอใช้ได้นะชักเสียดายนีพ่ายแพ้กับอารมณ์ตัวหนีใช่ไหม เคยไหมไอ้ของที่เรามีอยู่อะเสื้อเนี่ยโอ้สวยมากแต่อยากให้เ้าจังเลยแต่ก็เสียดายนะจะให้ไม่ให้ดีชักเข้าชักออกพอให้ไปแล้วเออโล่งไปทีใช่ไหมมันโล่งไปทีอีตอนจะให้ไม่ให้เนี่ยมันคิดหนักนะไม่รู้ใจมันลังเลยสงสัยจะให้ดีเลื่อไว้ดีให้ก็ดีนะเขาจะได้มีใช้เอาไว้ก็ดีนะเผื่อเราจะใช้เผื่อเราจะใช้แต่ยังไม่ไใช้นะเก็บอย่งั้นนะแต่พอตั้ใจให้ปับ๊บ โอ้สบายใจออแล้วลีบีบไปปะป้าจริงเสียดายนะเลืบีไปปะมันจะได้ไม่ต้องเห็นให้มันพ่นหูพ่นตาไปนะเพราะนั้นตาตัดสินี่จะให้ให้ไปเลยตัดสินใจให้เลยเสียสละเนะพราะจิตใจเราอ่อนแอเพราะจิตเรายังหลงอารมณ์นะเป็นโรคภูมิแพ้หลงอารมณ์ ไม่รู้เท่าทันอาลงต้องฝึกจิตให้มันเข้มแข็งมีกำลังเป็นภูมิต้านทานทางจิตไม่มีภูมิต้านทานทางจิตอะไนไม่ดีเท่ากับการจเจริญสติการภาวนาจิตตภาวนาคือทำจิตให้จเจริญทำจิตให้จเจริญ คือให้มีเข้มไอเข้มแก่งให้มีกำลังดูเหนืออารมณ์ได้เห็นไหมจิตภาวนาการพันติดเจริญคือการเจริญสติภาวนาแปลว่าเจริญไหนใครชื่อภาวนาบ้างอยากจะเจริญไหม <c oughs> ไม่ได้ให้เปลี่ยนชื่อเป็นภาวนานะถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นภาวนา จิตยังหลงอารมณ์อยู่มันก็ไม่เจริญอ่ะอยากจะเจริญต้องมีการกระทํนะฝึกจิตที่มันมีพลังโดยการเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ต้องเปลี่ยนชื่อก็ได้เป็นชื่ออรสาก็ได้แต่ถ้าใจเรามีการพัฒนาจิตเนี่ยมันมีการเจริญทางจิตเนี่ยคุณอรสาแต่จิตนี่จเจริญนะ ไม่ต้องชื่อภาวนาแล้วจิตตกตเสมอพฤติกรรมจะเปลี่ยนชื่อไม่จำเป็นเปลี่ยนพฤติกรรมดีกว่าเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีการปฏิบัติเปลี่ย น, นได้เมื่อแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนทันทีเลยจากคนที่ยากจนเนี่ยไปชื่อรวยเนี่ยบางทีมันก็ไม่รวยถ้าเราไม่ขยันหา ถ้าเราขยันหาขยันเก็บรักษารู้จักใช้จ่ายขยันหาขยันเก็บใช้ใจ่ายให้พอสมควรเนี่ยมันก็รวยได้ไม่ต้องชื่อรวยเห็นไเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเนี่ยมันดีกว่าการเปลี่ยนชื่อถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วไม่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีปฏิบัติแล้วก็มันก็เท่าเดิมอะไม่มีประโยชน์เลยชื่อนั่นสําคัญจไหนเป็นแค่สมมุติเท่านั้นเอง นั้นต้องทำจิตให้เข้มแข็งโดยการมีสติตั้งสติในการทำหน้าที่เราจะทำหน้าที่ตรงนี้นะตั้งสติทำอยู่ณปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีความคิดมีความคิด <c oughs> เกิดจิตอารมณ์ที่พอใจมาสู่จิตเราก็รู้ทันใช่ไมไ้ยได้ละเรารู้ทัน รู้ทันอารมณ์ที่พอใจแค่รู้ทันเนี่ยมันเพิ่มพลังของจิตให้มันเข้มแขังหนึ่งหน่วยแล้วก็มันตัดกําลังของกิเลสในฝ่ายพอใจไปกนหนึ่งหน่วยตัดคะแนนขนุ น, า น, านามาเพิ่มคะแนนทางนี้ตัดคะแนนอารมณ์ให้มันน้อยลงเพิ่มคะแนนจิตใจให้มันมีกําลังขึ้น <c oughs> แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปอย่าไปทําตามเอาชนะอารมณ์ด้วยการไม่ทําตามอารมณ์ นะอยากได้รถยี่ห้อนี้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อนี้เสื้อผ้าชุดนี้อยากได้ปั๊บให้รู้ทันความอยากก่อนอย่าไปดูของที่เราจะได้ถ้าไปดูของนี่มันซื้อเลยแต่ดูใจมันอยากได้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไว้กนะ่อนรถรุ่นใหม่ก็ร อ, อาไว้ข่าวหน้าเดี๋ยว ม, มีใหม่กว่านี้อีกโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เดี๋ยวรุ่นหน้าดีกว่านี้มันเดี๋ยวนี้มีอะไร iPad 3 โอ้รอ iPad ด4นู่น iPad 5มันมีหละ iPad ยิ่ง iPad มากมากยิ่งนานวันมันยิ่งถูกขึ้นหาง่ายขึ้นมีวิธีการที่เล่นได้สนุกกันอีกรอรอไปนะจนตายไม่ต้องซื้อ iPad ก็ได้เขาเรียกต่อรองกิเลสซะบ้างสิการต่อรองกิเลส เ, เนี่ยเป็นการสร้างภูมินุ้มกันจิตนะต่อรองกิเลสจนตั้งหมดเงินซื้อหัวแล้วยอะกิเลสเลย เราไม่ตกเปต้าของท่านแล้วเรารู้จักเราจนแล้วต้องต่อรองมันนะเนี่ยเราได้คะแนนสติเคยต่อรองไหม <c oughs> ต่อรองสับ้างเราจะได้หยุดเหนืออํานาจมันเวลาเกิดความโกรธโกรตับโอ้ความโกรธอย่าไปดูคู่เหลถ้าไปดูคู่เหลยเนี่ยมันเพิ่มความโกรธให้มากขึ้นเท่ากับเอาเชื้อมาใส่ความโกรธ ดูใจความโกรธโอ้ความโกรธมันร้อนแบบนี้เนาะมันเริ่มมีนรกยังไม่ทันตายเลยนะเนี่ยเริ่มดูตัวเรานีนะโกรธเนี่ยอย่าเพิ่งพูดอะไรเวลาโกรธอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งทําอะไรมันไม่มีเหตุผลหรอกมันมีแต่การระบายระบายคนมีเหตุผลดีต้องหยุดโกรธแล้วค่อยพูดกันเอาไว้ก่อน <c oughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโกรธตอนนี้อย่าเพิ่งโกรธนะเนี่ยเดี๋ยวไปตอนเย็นไปโกรธต่อพอแล้วแค่นี้เพอต่อรองโกรธแค่นี้พอแล้ว เดี๋ยวตอนย็นไปโกรธต่อก็ได้อาจจะสนุกกันนี่เดี๋ยวพอตอนเย็นเราก็ลืมโกรธตอลองกิเลสมาก <c oughs> ไปเชื่อมันทุกอย่างแล้วก็ตกเป็นทาสมันเอาไว้นะวันนี้โกรธกี่ครั้งเนี่ยเคยดูโกรธห้าครั้งโอ้วันหนึ่งเรามีโกลตาโกรธต้องไม่เกินห้าครั้งประวันนี้โกรธห้าครั้งแล้วโอ้วันพรุ่งนี้ก็ห้าครั้งพอวันไหนโกรธเกินหกครั้ง วันต่อไปเหลือสี่ครั้งะวันนี้โกรธสามครั้งดีแ ล, ล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เหลือสองครั้งบอเนี่ยมันเป็นสตินะต่อรองกิเลสควบคุมความโกรธซะบ้างจะได้เอาชนะอารมณ์ตัวเองมันได้แก่ตัวเองแต่เรากลัวจะไม่โกรธไม่ได้ละ่ะขอให้ได้โกรธสักหน่อยนะมันสะใจเราต้องรีบโกรธเลยนะ กัวมันจะหายต่อรองอย่าไปทําตามโกรธได้โรบไ ด, ได้แต่อย่าไปทําตามเนี่ยเอาชนะอารมณ์ด้วยการไม่ทําตามอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเหนือชั้นเราห้ามไม่ได้หรอความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่ว่าเราเอาชนะได้โดยการไม่ทําตามอันนี้เหนือชั้นไม่รับมุกมัน ทุกครั้งที่เรารู้ทันอารมณ์ความโกรดก็ดีความรักก็ดีพอใจก็ดีไม่พอใจรู้แล้วปล่อยมันผ่านไปเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือก็ึ้นตรงนี้ไปผ่านไปนั่นแหละจิตมันมีแต่ความรู้สึกรู้สึกตัวมีสติมันตัดความหลงไม่ในตัวเลยเมื่อจิตรู้ทักอารมณ์เมื่อไหร่แล้วก็หลงอารมณ์มันก็หายไปเห็นไหมเนี่ยวันหนึ่งต้อง รู้ทันอารมณ์ตัวเองสับ้างนะวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีตอนเช้าไม่เคยรู้ทันอารมณ์เลยก่อนนอามารู้ทันอารมณ์เองก็ยังดีนะไปรู้ตอนก่อนนอนหนึ่งครั้งก็ยังดีนะฝึกให้รู้ทันจิตทันใจบ่อยๆรู้ทันจิตด้วยสติบ่อยๆรู้แล้วปล่อยผ่านไปรู้แปล่อยผ่านไปรู้บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะมีกําลัง เนี่ยมันเป็นกําลังสติกําลังจิตเนี่ยมันจะเกิดกําลังใจกําลังใจมันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนแล้วจะไปให้คนอื่นได้เราจะให้กําลังใจคนอื่นนั้นกําลังเราไม่ดีเลยมันก็หมดแต่สิต้องมีกําลังใจก่อนแล้วค่อยแบ่งปันคนอื่นเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเพราะนั้นถะ้านมะีสนตะิบนะ่อยๆเนะีนะ่ยสติเนี่ย เขาเว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากส ต, ติเป็นฝ่ายกุศลจิต <c oughs> ยาในใดที่เรามีสติเนี่ยเราจะเกิดความละอายชั่วกลัวบาปการละอายชั่วกลัวบาปเนี่ยถือว่าเป็นเบื้องต้นของจิตที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมเลยนะ <c oughs> มันจะมีสินห้าอยู่ในตัวเลย การละอายชั่วกลัวบาปเนเป็นต้นตอ่อเป็นเบื้องต้นของการที่จิตมีคุณธรรมแต่การไ ม, าไม่ละอายชั่วกลัวบาปเนี่ยมาเป็นต้นต่อของหายนณธรรมนะมันต่างกันคนละขั้วนะหายนณธรรมเนี่ยดีไหม <c oughs> น, นั่นการละอายชั่วกลัวบาปแต่ครั้งต้องมีสติควบคุมจิตมันจะเป็นสีลห้าภัยร้ายที่น่ากลัว คือความชั่วนจิตใจของคนนั่นเองแหละสติต้องมาให้ทันฝึกสติให้ไว <c oughs> พอเกิดอารมณ์ปับ๊บสติรู้ทันปับ๊บเกิดกาละอายชั่วกลัวบาปเป็นเบื้องต้นของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นมนุษย์เกิดตรงนี้แหละมีศี่ห้าดโดยอัตโนมัติถ้ามีสติมีกาละอายชั่วกลัวบาปเป็นส่วนรวมแห่งคุณธรรมทั้งหลายคือการมีสติ ในการใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันถ้ามีสติบ่อยๆขึ้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยสติเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญานะมันจะเริ่มรู้เท่าทันอารมณ์เห็นอารมณ์นี่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันบีบคั้นจใจเป็นทุกข์เนี่ยมันทำให้จิตใจกระวนกระวายเห็นทุกข์ทรมทุขของอารมณ์แล้วก็ปล่อยวามันได้เพราะมัน เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์มันแค่ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบชั่ววูบเดียวอย่าเพิ่งไปทําตามมันโผล่มาอารมณ์มันชั่ววูบเดียวปล่อยมันผ่านไปเห็นไหมนี่หยุดเหนืออารมณ์จิตที่เหนืออารมณ์นั่นคือจิตที่อยู่เหนือโลกโลกคืออารมณ์ท่านเหนือโลกขึน้นเหนืออารมณ์ ถ้าตามอารมณ์นั้นหลุดโลกหลุดเข้าไปในอยู่ในโลกของอารมณ์ท่านเหนือโลกขึ้นเหนืออารมณ์นะอยากเป็นคนเหนือโลกไหมต้องเหนือโลกทางจิตใจยูเหนืออารมณ์ไม่เป็นท่านอารมณ์อิสระกับอารมณ์อิสระไม่ใช่ว่าทําตามอารมณ์นั่นแหละคือตกเป็นท่านอารมณ์อิสระคือไม่ทําตามอารมณ์ นะเนี่ยเ็าเรียกเหนือโลกคือเหนืออารมณ์คนเหนือโลกคือจิตที่ไม่เป็นไปกับอารมณ์คนหลุดโลกก็ไหลไปกับอารมณ์เราเป็นคนประเภทไหนหลุดโลกหรือเหนือโลกหรือบางทีก็หลุ ด, ลลดบางทีก็เหนืออ่าไม่เป็นไรหลุดบ้างหลุดเพื่อจะอยู่เหนือนะเนี่ยมันจะเกิดสติเกิดปัญญานะ ตอนนี้พเกิดสติปัญญาปับอยู่เหนือลมไหวแล้วก็เราจะทำก็ทำดีคิดก็คิดดีพูดก็พูดดีนะเนี่ยชีวิตมันจะดีตรงเนี้ยนี่คิดดีพูดดีทำดีถ้าเกิดปัญญาเนี่ยมันอยู่เหนือดีเรือย อ, อยู่เหนือดีนี่เห็นไหมยู่เหนือดีเนี่ยแปะว่าเหนือจุดยอดไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความดี เียาทคเ้พความดีทำความดีแล้วตปดอยู่ในดีนั่นแหละใครว่าเราไม่ดีก็ไม่ได้ทำความดีแล้วไม่มีใครชมเราก็ไม่ได้ใครจะมาแข่งดีกับเราก็ไม่ได้ <c oughs> มีตัวตนที่ดีได้ทำความดีแล้วไม่เห็นได้ขั้นได้เงินเดือนเพิ่มเลยเนีนั่นก็เรียก ด, ดี ติดดีนี่เป็นทุกข์ไหมคนที่เข้าโลกโรงพยาบาลโลกปราสาทก็พรติดดีนี่แหละฆ่าตัวตายมากพรติดดีนี่แหละเราต้องไปให้เหนือดีเหนือดีเป็นยังไงเหนือดีคือทําความดีแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราดีทําความดีตรงนน้นเอาความดีความดี ทำความดีตรงโน้นไม่ทาคนดีความดีเพื่อให้ตัวตนเรานี่มันดีความดีเพื่อความดีทําได้เถอะแต่ไม่ว่าเราต้องเป็นคนดีเสมอไปคนคือความยึดมั่นถึงมันทําความดีแต่ไม่ยึดติดว่าเราดีอย่างเงี้ยเรียกเหนือดีไม่ติดในความดีความชั่วไม่ทําทําความดี แต่ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนที่ดีไม่มีตัวตนเลยมีแต่ความดีล้วนแล้วก็ทําความดีไปเพื่อความดีตัวตนจะดีหรือไม่นั้นไม่เกี่ยวเพราะมันไม่มีตัวตนแล้วศา ส, สนาพุทธเนี่ยสอนธรรมะสามระดับนะเนีเป็นแก่นพุทธศาสนาในะเรื่องว่าละชั่วทําดีแล้วก็ทําจิตใจให้ขาวรอบ นั่นคือต้องไปอยู่เนดีได้ไม่ยึดติดแค่ความดีสาตนาพุทธเด่นตรงเนี้ยตรงที่ทําจิตให้ขาวรอบพนนี้จะไม่มีทุกข์เลยไม่ไปทุกข์เพราะความดีทําความดีก็ไม่เป็นทุกข์ทำได้สําเร็จก็ไม่ทุกข์ทาไม่สําเร็จก็ไม่ทุกข์เข้าใจไหมเรียกอยู่เหนือดีชั่วไม่ทําทําความดีแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าความดีนี้เป็นวพอดีของเราเนี่ยมันไม่มีตัวเรามันหายตัว ทุกก็จะไม่เกิดในทุกสถานการณ์อยู่เหนือดีได้นะสติทำให้เกิดปัญญาปลอยวาแม้ทั้งความดีเนี่ยก็ได้อยู่เหนือดีนะได้เข้าถึงแก่นพุทธศาสนาเลยคนที่ทำงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ดีคุณพยาบาลก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ดีทั้งหมดเนี่ย เราจะมีเพียงแค่ความรู้ดีความสามารถดีประสบการณ์ดียังไม่เพียงพอนะเราต้องมีสติมีปัญญาดีด้วยเราจะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราทำไงจะไม่ตำบวนว่าเราทาความดีเหมนมันได้ดีเลยจะทำไปทาไม <c oughs> ทาความดีไม่ได้ดีแล้วไม่ทําเราจะดีที่ไหนใช่ะ <c oughs> <c oughs> เรามีความรู้ดีมีความสามารถดีมีความชำนาญดีแต่ต้องมีสติมีปัญญาดีด้วยให้รู้เท่าทันแล้วก็ต้องไม่ยึดติดรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่แน่นอนเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้จริงจังอย่าได้ไปยึดมั่นหรืมั่นทำแล้วก็จักปล่อยวางทาแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางคือว่าอย่าไปยึดติด <c oughs> ถ้ามีตัวตนตัวเรานี่ยแหละมันจึงเป็นทุกข์อยากให้เราดีเราเด่นเราเหนือก็เราทําความดีเพื่อเราดีไม่ใช่ทําความดีเพื่อความดีเพราะฉะนั้นต้องมีกรรมฐานดีด้วยนะเนี่ยความรู้ดีความสามารถดียังไม่พอต้องมีกรรมฐานดีคือการฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่อรู้ให้ทันจิตทันใจตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่ต้องทุกข์เลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นการทําใจให้มีความสุข ให้ไม่ทุกเนี่ยอันดับแรกก็คือก็ต้องรู้จักที่จะยอมรับความจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งตัวเราแล้วก็รอบตัวเราเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมรับความจริงตรงนี้ซะมันเป็นธรรมดาของโลกและชีวิตแล้วสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันก็มีวันที่จะต้องเสียไปต้องยอมรับได้ ทรัพสมบัติที่ได้มาก็มีโอกาสที่จะหมดไปสูญหายไปแล้วก็ตำแหน่งต่างๆที่ได้มาก็มีโอกาสที่จะส่งคืนเข้าไปเราได้รับคำจารึเสริญสักวันหนึ่งต้องรับคำนินทาเรามีความจขวันนี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นความเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้เพราะทุกอย่างมันมีได้แล้วก็มีเสียมีได้มีเสียเป็นสัจธรรมเป็นเรื่องของโลกยอมรับซะด้วยความเข้าใจ อย่างเช่นเวลาที่มีใครนินทาเราเป็นธรรมดาไหมเมื่อถูกนินทาแลวเราเคยนินทาใครบ้างไหมมันก็นนธรรมดาเขานินทาเราบ้างไม่เป็นไรเพราะเราก็เคยนินทาคน อ, อื่นเหมือนกันเขาจะเข้าใจผิดเราบ้างมันแปลกไหมไม่แปลกเพราะเราก็เคยเข้าใจผิดคนอื่นเหมือนกันเพราะเป็นธรรมดาไม่แปลกของแปลกต้องนานๆมีที <c oughs> ก็ยังมีในตัวเราเลยแปลกทําไมใช่ไหมต้องรู้จักยอมรับความจรินส่วนนี้ซะเอเป็นเรื่องธรรมดาการยอมรับบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการปล่อยวางนะต้องรู้จักปล่อยวางคาว่าปล่อยวางคือรู้ความจริงแล้วว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองคนนั้นก็ชอบพูดอย่างนั้นอย่างงี้ชอบนินทาเราชอบเอาเปรียบเราโอ้มันเป็นธรรมดาของเขาเอาปล่อยวางเขาซะ เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราจักปล่อยวางโดยเพราะความทุกข์ที่เกาะกินใจเรามีใครไม่มีความทุกข์เกาะกินใจมากมันมีทุกคนแหละ ต, ต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยความทุกข์ทั้งหลายหรือสิ่งที่โศกเศร้าเสียใจทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องค่อยๆผ่านไปแล้วก็จางคลายไป ตามมันเวลาไม่ช้าก็เร็วแพลลึกที่กลางใจอกหักรักหายความผิดหวังต่างๆเนี่ยรู้จักปล่อยวางมันซะเพราะสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องหมดไปจากใจเราไม่วันใดก็วันหนึ่งตรงนี้แหละเป็นศัตธรรมนะถ้าเราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยจิตเราจะไม่มีความทุกข์นะเราไปแบกเอาไว้ยึดเอาไว้จิตก็จะแบกความทุกข์ไนะั่นแะ สิ่งนี้มันผ่านไปแล้วแล้วก็เอามาคิดผ่านไปแล้วเอามาคิดไม่ย้อนมันผ่านไปสิ่งที่ผ่านแปรดีตเป็นกรรมเก่าก็มาคิดเป็นกรรมใหม่อยู่ได้เจ้มันทุกข์ฟรีฟรีขาสติปัญญารู้จักจียจปล่อยวางให้มันผ่านไปให้การเวลามันรักษาแปรจิตปรใจของเราให้มันผ่านไปถ้าเราปล่อยวางความทุกข์ได้เมื่อไหร่แล้วก็ ความสุขก็จะมาปรากฏขึ้นในจิตใจเราเองความสุขไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในใจเราได้เพราะอะไรยังแบกอะไรไว้อยู่เป็นความทุกข์ปล่อยมันผ่านไปเะมันผ่านไปแล้วอดีตมันล้มันลายไปแล้วมันสูญสิ้นไปแล้วอนาคตมันเป็นความฝ่ายฝันปัจจุบันเนี่ยคือความจริงอยู่ให้มันมีความสุขคือว่าเป็นยอดแห่งคุณธรรมเลยนะใช้ชีวิตแบบมีความสุข แม่ยึดมั่นถือมัน่นทั้งอดีตทั้งอนาคตปล่อยวันแล้วก็ทําให้าที่กับปัจจุบันอย่างมคีความสุขเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็อนุโมทนาบุญนะกับท่านผู้ในการผู้จัดงานแล้วก็ผู้เข้ามาร่วมงานนะเนี่ยชมลมจริยธรรมสิ่งที่พูดนี่ก็คงจะเป็นจริยธรรมคุณธรรมบ้างเนาะอาจจะไม่เชิงวิชาการนะ เป็นเชิงไปฏิบัติตั้งจิตมากกว่าจากประสบการณ์ชีวิตวิชาการมันจะเป็นความรู้มันรู้รอบตัวรู้อยู่รอบตัวบางทีไม่รู้เรื่องตัวเราหรอกมันรู้รอบตัวมไม่มรู้เรื่องตัวเรารอบอยู่ได้แล้วต้องรู้ตัวเราเนี่ยเรารู้ตัวเราเนี่ยเลย่องทีจะเรียธทำเนี่ยแต่มันดิ่งมาที่กายที่ใจเรา โดยเพราะที่จิตใจจรยิยธรรมคุณธรรมเกิดขึ้นที่จิตใจผู้จะประสบการณ์เรื่องของจิตใจสุขทุกข์อยู่ที่ใจก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้เรามีกำลังใจที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆและอุปสรรคต่างๆโดยการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้น ะ, ะสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรในะทุกๆท่านเนี่ยจง มีความเจริญมีความผาสุกมีสติปัญญาปราศ จ, จากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดก็ต้องกราบขอพระคุณท่านอาจารย์กัมพลทองบุญนุ่มเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้สติเราให้เราได้ทําใจนะคะแล้วกเ็เวลาที่จะต้องมาเชิญกับสิ่งต่งตางๆเนี่ยก็ต้องมีสติแล้วก็เจริญภาวนานะคะก็ในส่วนนี้ไม่ทราบว่ามีคําถามที่จะเรียนถามท่านอาจารย์ไหมคะขอคําถาม ขออนุญาตท่านอาจารย์การทําจิตให้สงบง่ายๆนี่คื อ, อยังทําสมาธิเนี่ยเราหลับตาลงไปใจเราจะกระโดดโลดเต้นไปนู่นไปเหนือไปใต้จะให้มันอยู่กับตัวเราทําทำอะไรให้มันง่ายๆฮะดึงให้มันอยู่ที่ตัวเราง่ายๆอถูกต้องครับขอบคุณมากคําถามคนที่ทําสมาธิเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างงี้แหละ เพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันก็จะคิดคิดคิดเพราะจิตไม่มีฐานให้เกาะจิตเนี่ยมันมีกายเป็นเครื่องเกาะอยู่แล้วมีกายเป็นเครื่องเกาะจิตกับกายต้องอยู่ด้วยกันแต่ทำไมจิตกับกายจึงไม่อยู่ด้วยกันเพราะว่าถูกความคิดความคิดมันเข้ามาแทรกและเราไม่เคยเกาะ อ, อยู่ที่กายเลยแล้วก็ไปความคิดเราเคยชอบคิดให้อาหารความคิดมาก่อน จิตมันก็จะเป็นนิสยัยมันจะต้องคิดใช่ไหมละ่ะนั่นเราต้องมีหลักของกรรมฐ า, านหลักของกรรมฐ า, านคือการฝึกจิตสงบกรรมฐานคือการฝึกจิตจะฝึกจิตสงบงั้นจะต้องมีฐานให้จิตมันไปเกาะเดี๋ยวนี้มีฐานให้จิตเกาะนี่ไม่มากมายอย่าเลยมีลมหายใจลมหายใจใหายใจเข้าก็มีสติรู้เนี่ยเกาะไว้ที่ลมหายใจ การรู้แต่ละครั้งเนี่ยคือการเอาจิตเขาเ้าไปเกาะลมไม่ใจออกก็รู้คําว่าเกาะเนี่ยไม่ใช่ไปกอดมันกเกาะแปะไว้ก่อนแม่จิตมันเลื่อนลอยไปแม่จิตมันเลื่อนลอยไปหายใจเข้ารู้ให้เจาะออกรู้บางคนถนัดเรื่องพุโทโธก็ไนดะ้ก็เกาะอยู่ที่พุโทโธคิดขึ้นมาเป็นพุโทโธในไหนมันชอบคิดอยู่แล้วใช่ไหมก็คิดพุดโทโธซะเลยหมดเรื่องอย่านะก็พุทก็รู้ โธก็รู้เอาจิตไปเกาะไว้ที่พุโทโธเนเวลามันคิดไปก็เกาะที่พุโทโธใหม่พอมันคิดอีกก็มาเกาะใหม่เป็นการฝึกจิตให้มันเกาะที่ฐานเอาไว้เกาะที่ฐานเอาไว้เนี่ยเป็นการฝึกจิตหาจุดให้มันเกาะเอาไว้สักจุดหนึ่งเรื่องของกายเนี่ยเพราะนั้นเรื่องของความคิดก็คือคิดปล่อยไปแต่เราก็ไม่ได้สนใจไม่ใช่นาทีของเรา ตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิด เ, เวลาที่เรามาฝึกจิตใช่ไหมเราก็อย่าไปนสนใจกว่าคิดแล้วก็มาเกาะไว้ที่ที่อารมณ์ตรงนั้นอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปห้ามมันฟุ้งซ่านห้ามไม่ได้แต่เราทำาอะไรเราทำอะไรที่เราทำของเราได้เราจะทำอะไรก็ทำคือเกาะเอาไว้อย่าไปอยากให้มันสงบอย่าไปอยากไม่ให้มันคิด ไอ้ความอยากให้สงบน่จะไม่สงบเลย <c oughs> ใช่ไหไอ้ห้าแม่มันคิดเนี่ยคือความไม่สงบมันจะคิดกัเรื่องของเก่าแต่เรื่องเราคือมาเกาะไว้ที่ฐานไว้ทำแค่หนึ่งเดียวบางทีไอ้การเกาะอาจจะไม่ถนัดเอาแบบธรรมชาติดีกว่าไหนลองเอามือไว้ข้างหลังดิเอามือข้างลัยนไว้ข้างหลังทุกคนน่าลองทาดู <c oughs> เราเป็นคนที่มีปัญหาคือชอบคิดแล้วฟุ้งซ่านอยากให้ใจสงบใช่ไหมวิธีการทหนบคืออย่าไปบังคับให้มันสงบอาศัยสติเนี่ยเก็ะคือการรู้อยู่ที่มือกำลังกรรมมือกรรมรู้ไหม<อ>แ บ, บมือสิรู้กรมมือรู้แบบมือรู้อารงก์กรรมแ บ, บลอะไรกรรมก็รู้ แบบก็อย่าไปห้ามความคิดอย่าไปคิดอะไรให้แค่รู้ว่ามันกรรมรู้แค่รู้แล้เนี่ยมันจะกรรมจะแบไม like, ่ต้องเอาแค่ร right. ู appeal, merce, ้อืมันกรรมก็รู้รู้ในรู้สึกนะรู้สึกนะอย่าไปต้องไปคิดว่ารู้รู้นะนั่นคือคิดอีกอะเอาแค่รู้สึกอืมว่ากรรมก็รู้สึกลองนี่ลองทําที่นี่ยนี่คือทํากรรมฐานนะเนี่ยเนี่ยฝึกจิตนะเนี่ยลองทำที่ สักพักหนึ่งกรรมก็รู้มือแบงก็รู้ไม่ต้องหลับตานะเดี๋ยวหลับจริงๆลืมตาดูโลกแต่อย่าไปสนใจที่ตานะสนใจที่มือแล้วมันบ่ายโมงกว่าสามโมงซะด้วยมันใกล้เคียงกับความหลับนะรู้ถ้ามันไม่ชช่ก็กรรมแรงแ ร, แรงแบแรงแรงไม่ชัดให้มันรู้ไปครับให้มันรู้รู้ รู้สึกรู้สึกรู้สึกที่มันกรรมตั้งใจที่จะรู้แ่อย่าไปเพ่งมันรู้เบาๆรู้เล่นๆแบบผ่อนคลายนะอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากความสงบเอาแค่รู้หนึ่งเดียวรู้รู้สึกรู้รู้สึกรู้สึกรู้สึกเอาการกรรมการแบนเนี่ยเป็นฐานให้สติเข้าไปรู้ เสียงโทรศัพท์ดังก็ไม่ต้องสนใจหรอกเรามารู้นี่นะอ่าพอแล้วรูาา้ท่าจะกระเจงิง <c oughs> อันนี้เป็นแค่แบบฝึก น, นะคือให้เราอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนแส่วนหนึ่งแล้วจิตเข้าไปเกาะรู้สึกรู้สึกจิตที่เข้าไปรู้สึกนั่นแหละมันคือจิตที่มีทั้งสติมีทั้งสมาธินะ พอจิตมันรู้บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะสงบของมันเองความสงบจะเกิดขึ้นต่อเมื่อที่เรารู้สึกในตอนนั้นอย่าไปอยากให้มันสงบยิ่งอยากเนี่ยไอ้ความอยากมันสงบไหมนมันสงบหรือไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่เราจะรู้สึกตรงนี้ไอ้ตัวรู้สึกนี่ยแหละมันมีทั้งตัวสติมีทั้งตัวสมาธิถ้ารู้เป็นนานจะเกิดปัญญาเห็นว่าไอ้ที่มันรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่เรา ไอ้ที่กับการแบบๆนี่ก็ไม่ใช่เราเนี่ยมันจะเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งเนี้มันคือสิ่งที่มันปรากฏทางจิตเท่านั้นเองคือการเอาจิตเข้าไปเกาะกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยความรู้สึกไม่ห้ามความคิดไม่ต้องการความสงบเอาแค่รู้สึกมันก็จบอยู่แล้วในความรู้สึกรู้สึกแต่ละครั้งเนี่ยมันมีทั้งสติทั้งสมาธิมีความสงบด้วยก็ต้องรู้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะ เรากินข้าวช้อนหนึ่งอิ่มไหมก็ต้องมีช้อนที่สองที่สามกินไปเรื่อยเดือนมันก็เกิดความอิ่มไปเองเวลาเรารู้สึกแต่ละครั้งเนี่ยเราก็รู้บ่อยๆเดี๋ยวความสงบหรือความตื่นรู้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเองะนั้นคนที่เริ่มทาสมาธิเนี่ยแล้วจิตฟุ้งร้านถูกแล้วแต่นั่นไม่ใช่แดนงานที่เราต้องทําเราทาความรู้สึกตรงนั้น นี่คืองานที่ต้องทําแค่หนึ่งเดียวคือกรรมก็รู้แบบมันก็รู้ผมเนี่ยเมื่อตอนเนี่ยผมพิการเนี่ยไปไหนไม่ได้ผมก็นอนพลิกมือรู้มือคว่ำก็รู้สึกมือหงายก็รู้สึกความก็รู้สึกหงายก็รู้สึ ก, ค ก, ส ก, ก, สกแค่รู้สึกเนี่ยจิตมีสติมีสมาธิมีปัญญา มันถอนความยึดมั่นถึงมั่นว่ากายพิการเป็นเราไปได้ถ้าเราไปแค่รู้สึกนะกายที่มันเคลื่อนไหวหน้าที่พิการหน้าที่เป็นความทุกข์แต่ที่ที่รู้สึกคือรับรู้เอาไว้เฉยมันแยกจิตแยกกายได้ตรงนี้รู้สึกเนี่ตอนแรกมันเคลื่อนไหวได้มือขวาข้างเดียวรู้สึกแปลงนางใหมันจะสงบชักมีสมติจิตชักตื่นรู้เราเปลี่ยนมาฝึกข้างซ้ายมาก ฝึกข้างซ้ายข้างซ้ายนี่เคลื่อนไหวไม่ค่อยได้นะฝึกบ่อยๆรู้บ่อยๆเผลอรู้บ่อยๆเนี่ยโอ้แขนซ้ายนี่แข็งแรงเลยนะแข็งแรงเลยนะเออเราคุยกับพ่อได้มือเดียวมือซ้ายแล้วยกพาดระดับพ่อบอกเอ้ยยกได้ลลแล้วเหรอเราเออยกได้แต่ไมเ่เพราเราฝึกรู้สึกความก็รู้หงายก็รู้ฝึกสติให้รู้สึกรู้สึก จิตมันก็ไม่ฟุง้งซ่านมันก็อยู่ที่ความรู้สึกรู้สึกเพรอจิตไม่คิดฟุง้งซ่านเนี่ยจิตมันก็สดชื่นเบิกบานมันก็เข้าใจโอ้กายพิการเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องความไม่สะดวกจิตที่รับรู้เนี่ยมันไม่ต้องทุกข์กับความพิการแค่รับรู้รับทราบเท้เองโอ้มันมันแยกลาออกจากความพิการไปเลความพิการเป็นเรื่องของกาย เป็นความไม่สะดวกเรื่องใจคือความไม่ทุกข์คือความเบิกบานความสดชื่นใชแค่รู้เนี่ยปิกมือแล้วก็รู้ปิกมือหงายก็รู้สึกความรู้สึกแค่นี้ทั้งสติสมาธิจิตมันก็จะมีความสงบมีความเบิกบานเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยเดินแต่ละก้าวก็รู้เดินธรรมดาเดินยองย่องเดินธรรมดาแล้วก็รู้สึกรู้สึก นะรู้ว่าเวลาเราเดินก็รู้ว่าเดินเวลานั่งก็รู้ว่านั่งทาเข้าวก็รู้สึกรู้ในประจวนตรงนั้นอาบน้าก็รู้สึกแต่งตัวก็รู้สึกพอจิตมันเอียดปั๊บคิดโอ้รู้ทันความคิดหัวลรายยอะความคิดพอรู้ทันแล้วหัวล้ยยอะแบบเหนือชั้นเหนือชั้นมันพัฒนาไปสู่ความมีปัญญาได้ คือรู้ความจริงของกายของใจตอบยาวเลยนะเรื่องนี้สำคัญมากพอจะงงไหมอ่เข้าใจนะ่ยบ กัน่ะแล้วก็มีคนอยากถามว่าในเรื่องของการลาออกจากความทุกข์ของอาจารย์นะคะอาจารย์ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะถึงจะลาออกจากความทุกข์ที่น่าจะทุกข์มากของอาจารย์ได้ะคะ่ะอ๋นี่ถามผลเลยนะเนี่ยมันต้องเริ่มเป็นการสะสมนะเรารู้สึกแต่ละครั้งเนี่ยทุกมันไม่เกิดรู้สึกในปัจจุบันเนี่ยทุกมไม่เกิด ทุกจะเกิดเพราะจิตมันหลงลืมตัวเองพอรู้สึกปั๊บจิตที่รู้สึกเนี่ยทุกมันไม่เกิดเห็นไมเนี่ยเวลาที่เรากาลังฟังผมพูดเนี่ยรู้สึกไหมเราลืมอะไรไปเสียงหลายอยา่างนลืมความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ต้องหลายอยา่างเพราะรู้สึกอยู่กับปัจจุบันรู้สึกพิกมือรู้สึกแต่ละครั้งเนี่ยทุกไม่เกิด น, นความมือรู้สึกทุกไม่เกิด หงายมือทุกไม่เกิดมีแต่ความรู้สึกรู้สึกในความรู้สึกเนี่ยมันมีความสดชื่นเบิกบานทุกมันเกิดไม่ได้มันไม่มีช่องว่างให้เข้าสู่จิตจนเป็นทุกข์เพราะเรามีความรู้สึกครอบคล้องเมื้อที่ของจิตเอาไว้ไม่ปล่อยเราเผลอจนก็ต้องคิดเราไม่น่าเลยเราป่วยแบบนี้มันโชคร้ายอะไรของเราหนอมันเป็นความคิดเพราะเราไม่รู้สึก พอมารู้สึกปั๊บไอ้กวามคิดมันเข้าไม่ได้เห็นไหแล้วก็เก็บความรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อยเดาเดินไม่ได้โทวที่ขยับมือก็รู้สึกทานข้าวก็รู้สึกพลิกตัวก็รู้สึกขยันรู้สึกเขาไว้จิตมันก็เคยทิ้นที่จะรู้สึกรู้สึกมันไม่เคยทิ้งที่จะคิดให้เป็นทุกข์มันเกิดความเคยทิ้นที่จะรู้สึกนยทุกข์มันก็ไม่เกิดไปเรื่อยทุกขั้นที่จิตอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกเนี่ย ทุกเกิดไม่ได้รู้สึกบ่อยๆในจิตมันเบิกบานเบิกบานก็ความสุขก็มาแทนที่ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าเราเนี่ยมันผ่านอารมณ์ความทุกข์มาถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ <c oughs> ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเมื่อเราทานข้าวเนี่ยทานไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีความอิ่มเข้ามาเรื่อยๆแต่ละช้อนแต่ละคําข้าวเนี่ยมันมีความอิ่มอยู่แล้วในแต่ละช้อนใช่ไหม ต้มอิ่มไม่พอก็ตัดต่อไปก็ช้อนที่สองก็อิ่มครั้งที่สองมันค่อยๆอิ่มสะสมไปเรื่อยๆเพียงแค่หนึ่งเดือนเราก็เริ่มเข้าใจธรรมะเข้าใจตัวเองเข้าใจทิศทางกาเป็นบบบอ๋อการเจริญสติรู้กายรู้ติดในชีิตปัจจุบันปัจจุบันนั้นมันเป็นหุณธรมที่เราจะดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงโอ้เราเจออย่างนี้เราก็ขยันรู้สึกไปเรื่อย ทำอะไรก็ไม่เคลื่อนไหวฟรีๆให้มีความรู้สึกเข้าไปด้วยเวลาคิดก็ไม่คิดฟรีๆให้รู้ทันด้วยทุกอย่างมันไม่ฟรีเราก็ให้รู้ทันไว้เก็บเกี่ยวความรู้สึกไปเรื่อยทุกมันก็ค่อยๆคลายจิตมันก็นำหน้าไปเรื่อยทุกมันก็ตามหลังแล้วหันมาก็มองไม่เห็นมันอ๋อจิตมันสบายมันสดชื่นมันเบิกบานตัวนี้เองเนาะ หนึ่งเดือนเราเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นที่เห็นทางของการไม่ทุกข์แล้วหนึ่งเดือนก็นี่ั้นต้องทําต่อนเนื่องทําวันละเจดแปชั่วโมงได้ไหมเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยอย่าหายใจฟรีๆให้รู้ทันลมหายใจอย่าเดินฟรีๆให้รู้ทันจะบ้างอย่าคิดฟรีๆให้มีสติรู้ทันจะบ้าง การรู้ทันแต่ละครั้งในเป็นการเดินห่างจากความทุกข์ไปทุกทีสําคัญที่แค่รู้ครั้งเดียวแล้วก็หลงเออเลยนะมันก็ไม่มันก็ไม่บาลานซ์กันนะสิรู้บ่อยๆพอหลงเมื่อไหร่ก็เป็นเป็นรู้มันหลงเมื่อไหร่เปลียนเป็นรู้เนีา่าช่างมันจะได้เอียงไปทางรู้บ้างจิตเมื่เคยจิตจะรู้เรื่อยๆ่อไปไม่ตั้งใจมันก็รู้ได้นี่เรา รู้ข้างหนึ่งโอ้โหไปโกรธไปคิดไปเครียดต้องต้องนานตาช่างทางหลมก็เอียงโดยว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวมากหรือหลงลืมตัวมากรู้ไหมตอนนี้รู้สึกตัวมากหรือหลงลืมตัวมากเอ้านี่แสดงว่าท่านรู้มากนะเนี่ยที่รู้ว่าหลงมากแต่ว่ารู้มากนะเพราะนั้น ไม่ต้องทำหลายหลักชีวิตเราเนี่ยปฏิบัติทำโดยการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งให้รู้สึกแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็รู้สึกเอาใหม่ oh แต่ละวันก็ อ, อยู่ว่าเราจะขยันรู้ได้แค่ไหนภาวานาคือการขยันรู้ภาวานาการขยันรู้เมื่อขยันรู้แล้วจิตมันก็จะเจริญถ้าไม่ขยันรู้จิตไม่เจริญเนี่ย เนี่ยแต่ละวันเนี่ยขยัรู้รู้ตรนไหนก็นึกได้กัรู้เลยนึกไม่ได้กัแล้วไปแล้วก็นรู้ใหม่ใช่ไหมแต่ละวันเนี่ยทำชีวิตตามปกติแต่ว่าเติมรู้สึกเข้าไปด้วยหนึ่งหน่วยเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันทันทีเลยเก็บเกี่ยว บ, บุญกุศลได้ทุกครั้งที่เรารู้สึกยิ่งเราทํางานบุญเนี่ยงานบุญมันประครองนะประครองจิตให้มันสงบได้ง่าย ทำงานด้วยความเมตตากรุณาเนีเข้าถึงจิตที่เมตตากรุณาจริงๆเถิดจิตมันจะสบายตอนนี้น่ะสติก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆพื้นฐานงจิตเนี่ยจะดีถ้าเราทำงานบุญทานศีลภาวนาการให้ทานเนี่ยสิ่งที่เราให้ความเมตตากรุณาเนี่ยมันเป็นการให้ทานอยู่แล้วให้การช่วยเหลือคือให้อยู่แล้ว การให้นี่แหละทัวเป็นบุญอั้งนั้นนะนั่นอย่าให้ปรีปรีให้ด้วยความเมตตาแล้วเนี่ยให้มีความรู้สึกกไปด้วยเห็นไมได้ทั้งคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปเลยเราอาจจะไวภายในหนึ่งวันก็ได้เพราะว่า จ, จะช้าเพราะว่าร่างกายพิการเดินไม่ได้หนึ่งเดือนเราคนเดินได้เนี่ยมันต้องให้ไวกว่าหนึ่งเดือนนะ ไม่ได้บอกว่าจะอาคนพิการไม่ได้พนะูดหนึ่งเดือนให้มารู้สึกมากๆแต่เราจะเริ่มเห็นทางเห็นทางนะหนึ่งวันแต่ละวันเนี่ยสตอมันไม่เล่นเลยหนึ่งเดือนเนี่ยจิตมันจะเปลี่ยนแปลงถ้าเราเห็นทางว่าเออเราปฏิบัติตกต่างจิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่สุขมากขึ้นทุกน้อยลงมันจะสุขง่ายทุกยากนะความสุขหาง่ายความทุกข์มันหายาก ปัจจุบันนี้ความทุกข์มันหาง่ายความสุขมันหายากจะแล้ติดต่อไปว่าโอ้ความทุกข์นี่มันหายากความสุขนี่มันหาง่าย <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นอาจารย์คะในในขณะที่จิตใจคนที่อาจจะยังไม่ได้ฝึกหรือฝึกน้อยเนี่ยจิตใจยังไม่ได้เข้มแข็งที่จะแยกออกจาก อารมณ์และกิเลสได้แล้วในสมมติว่าในชีวิตประจำวันเราเจออารมณ์ที่มันแรงแล้วมันดูดจิตเราวุ้บเข้าไปแบบว่าไปเข้าไปหลอมรวมกับอารมณ์ไปซะแล้วอะ่ะแล้วเราจะแยกมันออกมาได้อย่างไรคะจะแก้ปัญหาได้อย่างไรคะเออให้มันไปก่อนมันไปแล้วอะ่ะมันไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกมันไปแล้วก็อย่าไปรับไปแล้ว ก, กลับมันตั้งรู้ใหม่สิเออมันไปก็คือไป อ๋อจิตมันไปแล้วนี่เรารู้เลยนะถ้าจิตมันไปเราโอ้จิตมันไปนี่ได้สติหละได้ไปได้บัติแล้วอย่าไปเสียใจว่าทำไมเราจริงไปทําไมทําไมมันไปไปไปแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกมันไปแล้วอ๋อจิตมันคิดไปแล้วหลงไปแล้วหลงอารมณ์ไปแล้วทุกไปแล้วเราเริ่มรู้ทันแล้วเท่านั้นดี่เราก็มาตั้งหลักที่จะมาทําอะไรของเราแรล้วก็รู้สึกตัวกับปัจจุบันใหม่ อย่าไปแล้วเป็นนึกเสียออกเสียใจมันเป็นอดีตไปแล้วมันไปแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วมันล้มอะลายไปแล้วเราก็เริ่มต้นทำสิ่งที่เราทำเฉพาะหน้าใหม่เห็นไหมเขาเรียกว่าเป็นการตั้งรู้ตั้งต้นใหม่เนี่ยตั้งรู้ใหม่ตั้งต้นใหม่มันไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็แล้วไปเราก็เริ่มต้นใหม่สิทำไมลองไปแล้วไปเสียใจมันก็ไปอีกสิอย่าไปเสียใจแล้วก็แล้วก็ไปเป็นอดีตไปแล้ว เห็นไหมนาฬิกาเวลามันเดินผ่านอดีตไปแล้วก็คือแล้วก็แล้วไปมันก็ปัจจุบันแล้วก็แปรอนาคตของมันเราก็เหมือนกันเมื่อจิตมันหลงลือไปแล้วทุกไปแล้วโกรธไปแล้วไม่เป็นไรเนี่ยเรากลับมาตั้งต้นใหม่การกลับมาต้องใหม่ตั้งต้นใหม่แต่ละครั้งเนี่ยเป็นการสอนให้จิตมันกลับมากลับมาตรงนี้ตรงนี้เท่ากับสอนจิตมันไปในตัวจิตมันสอนตัวมันเองมันหลงไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่หลงไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ เขาเรียกปิดไปแล้วก็แก้ไขใหม่ตนเองอย่าไปเสียใจว่ามันไม่น่าเลยเราทำไมเป็นอย่างนี้มั น, นไม่มีอะไรหรอกอันนั้นไม่นจะเป็นการแก้ปัญหาทิ้งไปก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าเรานั่งอยู่แล้วมันคิดฟุง้งซ่านมันอออจาจอารมณ์ไม่ได้ลุกขึ้นเดินไปเปิดหน้าต่างเดินไปจัดของเปลี่ยนอารมณ์นะอย่าไปหมกมุ่นอย่าไปจมแช่กับอารมณ์มันจะเป็นความเคยจินของจิต ที่ชอบแช่กับอารมณ์ถ้ารู้ว่าจิตมันออกไม่ได้ก็เปลี่ยนยาบทเลยเราลุกได้เนี่ยลุกขึ้นเดินลุกขึ้นยืนลืมตามองไกลๆเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้โดยการที่เปลี่ยนยาบทซะได้ทันทีเลยอย่างผมนี่เวลาเกิดอารมณ์เครียดสมัยก่อนผมเปลี่ยนยาบทไม่ได้นอนแช่ยอยู่กับลมเราต้องหาทางออกจากอารมณ์มันลุกไปไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องอดทนแล้วก็หาทางที่เปลี่ยนอารมณ์ โดยการหันมาดื่มน้ําจับนู่นจับนี่หาเรื่องให้จิตมันไปเกาะอารมณ์ใหม่เรียกย้ายจิตไปจับอารมณ์ใหม่อย่างเราลุกได้นสบายเลยมันเครียดอะไรก็อย่าไปนั่งแช่ลุกขึ้นหรือหายใจเข้าลึกๆหายใจออ ก, ก ย, ยาวหายใจเข้าลึกสักสองสามครั้งจิตมันจะสบายแล้วก็ผ่อนคลายอย่าไปหมกมุ่นหรือจมแช่น า, นานเกินไป มันจะเคยชินที่ติดชอบแช่กับอารมณ์เปลี่ยนไปจับอารมณ์ใหม่ซะทำอะไรก็ได้เปลี่ยนทันได้ทันทีเลยนะเพราะนั้นเราเอาชนะจิตใจเราไม่ยากหรอกกาเพราะจิตมันไปปั๊กก็เริ่มที่จะทาอย่างอื่นที่มันมีสาระถือว่าอันนั้นไม่ใช่งานที่เราทำเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยนั่งเขียนหนังสือเนี่ยถ้าจิตมันคิดกังวลไปเผลอไป นั่นไม่ใช่งานของเราเป็นสิ่งแปลกบอมเป็นส่วนเกินแล้วกลับมาตั้งต้นทำงานเราใหม่ตั้งใจทำสิ่งนี้ปัจจุบันนั้นตั้งใจทำในสิ่งปัจจุบันนั้นตั้งใจนะคือจิตที่กลับมาตั้งมั่นแหละน่ <Yeah. S 1> ะสะติเกิดแหละ <Yeah. S 1> อย่าไปเสียใจอย่าไปหมกมุ่นเปลี่ยนอารมณ์ซะลุกขึ้นได้เปลี่ยนสายตามองไกลๆให้ใจลึกๆ นึกอะไรไม่ออกก็หายใจลึกๆยังร oui, ู้ตัวเดี <obedient> ๋ยวมันก็นึกออกเวลากรธก็หายใจลึกๆยังรู้ตัวเดี๋ยวมันก็หายโกรธลองทำดูนะอย่าไปจมแช่มจะเคยชิน